พระธรรมเทศนา เ, าเรื่องมหาจา ร, รยผูกนี่มีจีตว่าปฐมมาลัยมาลัยต้นเรียบเรียงโดยพออาจารย์อินสมใจจุมพูพรรปรียธรรมฮกเปรียวนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายนาัโม ตตาภกวโตอะราโตสัมมาสัมปุทธ h สุรานามาหินิยังปุทเสังนามัตสิตทวธมัญจะสังคัญจนามิตรตติ ส า, าบูดุราส ป, ปุริตาตั้งลายตั้งหนิงใจนมเทาตั้งสัทธาก้าเป็นระทานมีใจบานจืนสูมานั่งอยู่นานำจุงจักจำทวนที่เราจักจีจะไขยังมาไหลากันเก่าอันอาจารย์เจ้าหากนำมาบัดนี้แลนา เก <c oughs> ราดังเราจะกรู้มานิัยปางเมื่อพระติวัยสัมปัญอยตนเป็นคู่แก่โลกคือป้อนโศภัยมานเข้าสู่นิพพานเวียงแก้วเมือนหลวงแล้วลายวสายังมีมหาเทนตนหนึ่งเราเจีวาเจ้าเตปะมาไลา ถรงสินใสสะอาดจบฉลาดาพินยาอุ ป, ปามาเพียบได้กับเจ้าตีวยโมกกันลานก็สสำรานยังจอดในอารามยอดเรื่องงามในกรรมพระโจรกรรมตต้องคงเขททองตุียหลังกาก็มีหั่นและนาะ อนว่ามาหาเทนตนนั่นโสตียนย่อมโพธคุณามีเมตตาจูปูยมไปสู่อาบายหันคนหลายตุกอยากด้วยกรรมวิบากนานายมนำมาบอกเล่าเฮือรู้ข่าวถึงหูแห่งเจ้าจุมปูพี่น้องได้แจ้งส่งหันใสฮือมีใจกึดรอดอุิสาตเตตาน แผ่บุญคานเตืมตุมเหื่อป้นจากลุ่มอาปายได้ผ่านภายกาภานีเสียจากตั้งเข็นได้สุขเย็นจื่นจอยในภาศาสสอยเมืองสะวันคนคนอนันต์อดนาว่าพระมหาเถระเจ้าทรงคกุลกอมีหันและนาะ อาเทกติวสั่งยังมีในวันหนึ่งเหล่ายามรุงเจ้าเรื่องไรเจ้าสินใสวิเศษก็อาออกจากเขตแดนตน <c oughs> เดินเที่ยวห่นปินที่บาทบ่หือขาดประเวณีตามพระมูนีสั่งไว้บอกหือใดสูญหายยังมีายคนหนึ่งโซตุกไรโหดอนาถา เจารักษาอยู่เฝ้าเลี้ยงแม่เท่ามารดาวันนั้นหนะามันสอดผดไปรอดโขคารณีหันดอกนิโลบลดีแปดดอกพงบ้านออกวังใสมันมีใจผ่องแผวเด็ดไว้แล้วนำมาแล้วไก่กาคืนสู่ยังที่อยู่เหือนตนเดินเตียวห่นไต่เต่ามาปะใส่เจ้าเตปมาลัย มันไม่ใจจมจื่นโยกมือยื่นเนือหัวเอาดอกบัวแปดดอกพงกี้ออกงามดีถาวายลูกศิทพระมูนีเป็นเจ้าแล้วกรมเก่าอธิษฐาน <c oughs> ว่าเตจตาลแห่งคาย่าตำจ้าหายซูญขอเป็นบุญเติมค้ำเฮือหลวงล่ำอนาถาคาเกิดมาป้ายนาขอหือคาเป็นดี ความเครื่องขีนอยากลรอย่าหฮือใดเล็งหันคองฮือปั่นไปรอดอ ม, มตะยอดเนราปานเดเตาวัานทนั้นพระมหาเตป้ามาไหลตนบุญกวางก่อเกาอ่างอนุโมตน า, าว่าเอวังโหตุดังนี้เป็นตน ว่าดูราอุปัสกะเหยหนุ่มนาวแม่นว่าเจ้าคันิงในผาท่านใดตั้งไว้จุงสมไฟใจหมายอย่าได้หายกาดก็ให้จุงสมไฟหอยมโนในเดตัวว่าอันแล้วเจ้าตนแก้วเตป้ามาไลยก่อขึ้นใจลายปอกว่าจักเอาดอกดวงดี กันทามีบ่ผ่อนไปไห้บ่อนแดนใดจกเอาไปอภิวาตีพระสวัสดิาถาเทศนาแรกเก้าฮือแก่เจ้าปัญจวัคีหรือจักเอาดอกดวงดีพงกี่ไปไววตีนิพพาน อันว่าสาทานเหล่านั้นเราหากใดเกยไปควรเอาดอกงามใสสะอาดไปไว้ทาจุลมามณีิึบุญมีมักเต้าแก่ใจเจ้าศรัทธา <c oughs> กันพิจารณาเมียนจอดเจ้าตนยอดเตปมะมะไลายินมีใจจื่นสู่ก่อเข้าสูจ่จะตุทธาชาญมีอภิญญาณเป็นบาทขึ้นอากาศเร็วไว เจนกันใจก็รอถึงขวงยอดจุลามานีอันงามบีใจจ้าในจันฝ้าตาวะติงสากอมีหันและน่าอันว่าพระมหาเทระเจ้าตนบุญกว่างย่อมือต่างเนื้อหัวเอาดอกบัวงามอาจปูจาถาเฉียงจินพัทสินสามรอบคาบนบนอบสามหนแล้วเท้าไตนคดออก ไปนั่งไปนอกสนามพอเจอดีงามบา่เศร้าเป็นตีไว้เกตเกา่าพระมูนีก็มีหัน่นแลนาตาตาในกาละนั้นเล่าอันว่าเตา้าเป็นเจา้าอินตาก็นำเทวดามวนหมเข้ามาสู่สนามอันจาลิงามอภิวาตบูชาพระธาตุจุฬามณี พาทักสินดีเบียนแล้วเต้าต้นแก้วอินตาก็แลตาไปรอดทันใสย่ยอเตป้ามาไล่จิงเข้าไปนั่งไก่ย่อมือไว้จะทำบาคาแด่เจ้าสินงามลลยแหลเจ้ามาแต่แดนใด จากไปไหนเตียวสอดจริงมารอดเมืองสวันจุงไข่ปันบอกกาวเฮรู้ข่าวขีญาพระมหาเทระเจ้าก็ตอบเรากำไปว่าเรามาไกลต่างนาะจากโลกลาจุมปูเปื่อมาดูน้อมใบ ย, ยังแกวแก่นไทยจุลมามณีแล้วไขาวาติทาเราส่งเต้าเจ้าอินตาวาดุรามะ ฮาราตสมปันอาตนำนาอันวาเตวะดาหลายลาเตวะบุตรมากเกลือลายได้คงควายบุญไว้แต่โลกไตจุมผููบุญนั่นจูทรงยู่มาเกิดอยู่เมืองสวรรค์ยังพระกันมวนหมู่เข้ามาสู่สนามแห่งเจดีงามบ่เศร้า โนบกมเก่าปู่จ้าเป็นนีรันมาจะใจบ่อเว้นไห้นี่กาเป็นสันใดบ่อกายบ่อรู้นายตังบุญนั้นจ้าเมื่อ น, นันคุณอินตาตนองอาจก่อต้านถอยวาดเจียนจ้า ว่าเจ้าโกปามาเผียบไว้คนโลกใต้โลกีีเข้าเปลือกมีแต่น้อยตัวซ้ำปล่อยตุมบางมีใจจางขี้ข้านจู่มือยานกระทำการบ่พอมาแต่เราบ่มีเข้าจักกิน คนเตียวดินหลอกไตเมียเข้าใส่ทุงเยียเปื่อเลี้ยงเมียลูกเตา้าบ่หมากเต้าทำนากันอดสาจะใจหาเข้าไม่มาหอมสั่งไร่จอมติดต่อเข้าเปืือกกอมีมา บ่อเครื่องกากันยากบ่อลำบากนานไปอุปมาไหมเพียบไว้คือหากได้เทวดากรันนะ้าลายลาเทวบุตรบาคนานำได้กาตั้บุญไว้แต่โลกใจเมืองคนบุญบัลลนจองก้องมาเกิด้องคงสัวันจริงปะกกันมวนหมูเขา้ามาสู่สนามแห่งเจดีงามถัดเจ้า นอบกมเก่าป ah ู่้าเหตุภาทนาใข่ใดยังบุญใหญ่ถมทองมาหอมกองบุญเก่าฮือบากเต้าลวงลายได้สมมายไฟห้อยบอกกัดก้อยเร็วปัน บนตันส่งอยู่ใดตั้งอยู่เหมือนไปแม่นมิใจจมจื่นสานุกจื่นเฉยจมอาภิรมบอบขาดในภาษาตาสภัยมันบอกปักกันมาไวพระธาตุใหญ่ดวงดี นาบุญมีแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนเบาบางกันบุญจางเสียงขาดย่อมก้อยกาดไฟปันอยู่สะวันบอดจ้าย่อมได้กว่าเตียวไฟขอเจ้าสินใสบุญใหญ่จงโลควายตามมีดังนี้เด็เตอ ตอนคุณอินตาเก่าแล้วเจ้าตนแก้วเต็ป้ามาไลซ้ำทมไปแถมเล่าว่านอพระเจ้าอริยะเมตไตรตนอยู่ในภาษาจันฝ้าอาตุสิดาอย่างจากลงมาขาับไปยังพระธาตุใหญ่จุลามณีในวันนี้จะรือ คุณอินตาเจ้าฟ้าก่อตอบตาไข่คำว่านอคุณทำบุญกว้างอันอยู่สังตุสิดาเตียนย่อมมาพ่อมพำวันสิบห้าคำดีลีส่วนบัติถีวันนิ้ใส่แม่นสิบห้าคำไข่เต๋งตันหนอจอมทันบุญใหญ่เตียงมาไว้ปูจจาดังปกติมาหลวงแล้วบอกาัดแก้วเสียในจะแลนั ในเมื่อมหาเถระเจ้าพงตันเล่าเจียนจากกับพุนอินตาที่ราชบ่อตันขาดวาติทัพนั้นยังมีเตว บ, บุตรตนดึงเหลามีนางหนุ่มเนากัญญาสังขาญาบ่อน้อยได้นึงร้อยเป็นปริวานจื่นเจยบ้านจุผู้เข้ามาสู่สะนามแห่งเจดีงามพระธาตุเปื่ออภิวาตปูจา รามาหาเถระเจ้าก่อคนิ้งเหล่าในใจจริงจะไขทำข่าวซึ่งตันเต้าอินตาวะเตวบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสะวันแม่นอจอมทันบุญกว้าง เมื่อเจ้าวาริญยาเมตไตยจะรือคุณอินตาตอบถ้อยว่าบ่แม่นนอนยอดซอยจอมท่านหากเป็นเทวบุตรสามัญแต่ใสจักมาไวปูจา ยังพระจุลามาธ า, าตามโอกาสตัตงตั้นกันขุนสวรรค์ก่าวแล้วเจ้าตนแก้วเตป้ามาเลายก็ทำไปแถมเล่าว่าจาติเก่าปาังหลังนาบุญสั่งนั่นใส่เตว บ, บุตรได้กตา ม, มาข้อใครจ่าบอกกก่าวฮือรู้ข่าวเร็วฟันขุนสวรรค์ตนองอาจก่อต้านถอยวาดใครจ่า ว่าแต่เดิมมาปางก่อนเมื่ออยู่บนเมืองคนเทวบุตรตนนี่ใสตุกอยากไรเครื่องขี่คุณนามีภายแพ่ตอดก่อนเข้าแก่ตัวกาอันบินมาตีไกบุญนั้นไลตัวตั้นมาเกิดสวรรค์ฝากฟ้าคงแหลงลาตาวะติ่งสามีนางกัญญาบ่น้อยได้หนึ่งร้อยเป็นปริวาน ดังโบราณว่าไว้คนโลกไต้ยิ่งใจมีใจภายเพื่อแผ่เฮือตานแก่สัติรชันพาละตานนั่นใส่นับอ่านได้หนึ่งร้อยดีลีหากันมีแต่เราดังกำเก่าโบราณใจคนผ่านหิวหอดเอาเข้าตอดตานแ ก, ก่กาบุญนั่นมาจ่องหอยมีนางฟ้าหนึ่งร้อยเป็นปริวานดังนี้แหละนะ อันว่าเทว่าบตนนั้นมารอดแล้วตีขวงแก้วจุฬามณีก็อันจุลีน้อมไวอวมหวทวนคบไข่ส้ำหงนแล้วนำตนคดออกไปนั่งไปนอกสนามก็มีหันและนะ ถาดนั้นยังมีเตวบุตรตนหนึ่งองค์อาจมีนางน า, าสาวสวาลนับปอปันแวดลอมแห่นแห่ออมเป็นปริวานมายัางสถานพระธาตุเปื่ออภิวาทปุจาพระมหาเถระเจ้าก่อทมเล่ากำไปว่าเตวบุตรใดใจจ้ามาก่อนนาเตวะกัญญาลังคณาบ่อเศร้าแม่นนอพระเจ้าเจรือ คุณอินตาตอบถ้อยว่าบอกเมนดอพระหยอบซอยจอมทันเป็นเตวาบุตรสามัญแต่เราจกมาไวถัดเจ้าเจาเียงจี้ตามปาเวนีแต่ก่อนบอกให้ผ่อนหายซูนแลยนะ กัณฑุณอินตาเก่าแล้วพระตนแก้วเตปามาไลาก็ถามไปแถมเล่าว่าจาดเก่าปังลังนาบุญสั่งนั่นใส่เตวบุตรใดกตัมมาคุณอินตาตอบทองหฮือแจงส่องตามีว่าเดิมทีเมื่อก่อนเกิดอยู่บ่นเหมืองคนมันตานนันอยากใจนั่นหากคุณนาแบ่งพัตตาเข้าหอ ยืนปันต่อสะหายอันเลี้ยงหัวควายกินจางนั่งอยู่คางริมตนด้วยกุศลเต่าอันจริงมาเกิดบนจันตวะติงสามีนางกัญญาหนุ่มน้อยงามจื่อจ้อยสาวสะวันนับปปันแวดล้อมแหนแฮอ้อมเป็นปริวานดังโบราณว่าวัยคนโลกไต่นิงใจมีใจพายจมจื่อจกยกยืนโอตาน ยังอาหารแผ่นผ้าแก่คนต่ำใจบนดินอันหาซีนบ่อใดบุญบ่อไราหายสูนภาลบุญแผ่กว้างอานิสง์อางปอปันดังได้หั่นเป็นแก่นหากมีแม่นตามกำดังนี้แลนะ อันว่าเทวาบุตรตนนั้นมาแล้วรอดขวางแก้วจุฬามณีก่อันจุลีน้อมใบคบทวนไข่าสามหนก็ถอยตนคดออกไปนั่งปายนอกสนาม แห่เงเจดีงามสักสวาติสีสภาควันตกก็มีหันและนาทัดนั้นยังมีเทวาบุตนหนึ่งอง์อาจมีนางนาสาวสนมกวนอภิรมจมจื่ใได้หนึ่งมื่นเป็นปริวาน ก็มายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทบูชาพระมหาเทระเจ้าบุญใหญ่ก็อธมเต้าไทยอินทาวาเตวบุตรมาก่อนหน้าแห่งดังฝ้าสาวศีรัตสามีบ่อ้าแม่นนอพระเจ้าจะรือคุณอินตาต้านต่อว่าบ่อแม่นนอพระธัตสาปนหากเป็นเทวบุตรตนหนึ่งใส จักมาไว้ปูจ้ายังมาหาธาเจ้าดังเมือ่อเก่าเดิมมาพระมหาเถระเจ้าเตปามาลก็ใครกำไปแถมเล่าว่าจตดเก่าปางังหลังนาบุญสังนั่นใส่เตว่าบุตรใดกตมรรคุณอินตาตอบทองเฮือแจ้งส่องหันใสว่ามันเข ен, ็นใจอยากใกล้เกิดลุมไตจุมปู ใจมูตูลายแหล่หืตานเข้าแก่สามมาเน้นกันดับเห็นเสียงจาดบุญบ่อขาดตวยตันมาเกิดสวรรค์ฝักฟาโหงแหลงลาตาว่าติงสามีนั่งกันยหลายหลากหมื่นหนึ่งหากเป็นปริวานดังโบราณว่าไว้ว่าคนโลกใต้ดิ่งใจ สถาภัยเผื่อแผ่เอตานแก่ปุถุชนผู้มีตนบ่ชเศร้ารักษาสินเล่าขึ้นวันบุญอนั้นหลายหลหมืนหน่นดึงแต่เป็นธาราดังนี้แลนะน้า เทวาบุตร น, นั้นบาแล้วรอดขวางแก้วจุฬาบานีก่อนจุลีน้อมใบทวนบคบไข่าสามหนแล้วไทยถอยตนบอกไกลไปนั่งหนไตเจดีย์ก็มีิหันแลยนะ ทา่านนันยังมีเทวบุตรตนหนึ่งใส่มีนางฝ้าใดสองมืนเป็นปริวานก็มายัางสถานพระธาตุเพื่ออภิวาตปูตจาระมหาเถระเจ้าคนิงเหล่าในใจ จินสงสัยบอกแล้วจริงธามเต้าตนแก้วอินตาว่าเตวาบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสะนดีวันนาดีจื่นจ้อยแม่นนอพระยอดซอยเจรือคุณอินตาต้านต่อว่าบอแม่นนอจอมท่านเป็นเตวาบุตร สามันแต่ใสจักมาไวพระจุลาะมณะีสั่งกามีบังเกิดเจ้าตนพาสเสด็จปามาลลยก็ทำไปแถมเหล่าวาจาดเก่ า, กาปังหลังนาบุญสัง่งนั่นโสดใดมาโพด้วยตันขุนสวรรค์ต น, นกา่าเฮรู้ข่าวขีญาว่าแต่เดิมมานั่นใส มันเกิดหลุ่มใตปัทภีสัทธาบีบอขาดคือเข้าปินที่บาทตันไปแก่เจ้าสิ้นใสตนหนึ่งโสดบุญนั่นโพดตัวตันมาเกิดสวรรค์ฝักฟ้า คงแหลงลาตาวติ่งสาบีนั่งกัญญาสองมืนอยู่รรื่นเป็นปริวานดังอาจารย์ว่าไว่คนลุม่มไตนิ่งใจสัดท่าภายจมจืนจกยกยืนยอตาน ยางพิขาหขารเขาน้ำบาตทุรมปัจจัยแก่เจ้าสินใสจ้อยโจดบุญกิ่งโพดต่อตำคือจักนำไปเกิดตีผาเสดเจียงคานมีปริวานสองมืนอยู่ระรื่นคืนวันดังได้หันแจ้งทีบ่อมีตีสงสัยบัดนี้แลนะ เทวบุตรตนนั้น่าแล้วรอดขวางแก้วจุลามณีก่ออันจุลีน้อมใบทวนคบไว่สามหนแล้วถอยตนคตออกไปนั่งไปนอกคนเหนือก็มีหันลยนะถัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งใส่มีนางฟ้าใดสามมืนเป็นปริวานก่อมะยังสะทานพระธาตุเปื่ออภิวาทปูจา พระมาหาเถระเจ้ า, าการิ่งเหล่าในใจยิ้นสงสัยบ่แล้วจริงถามเต้าตนแก้วอินตาวะเตวะบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสารีลักขณาดีบ่เศร้า แม่นนอพระเจ้าจะรือคุณอินตาต้านต่อว่ามอแม่นนอพระมูนี้สั่งกามีบังเกิดเจ้าตนพ า, าเสด็จเปามาไลก็ทาไปแถมเราว่าจาดก่อนเก่าปังหลังนาบุญสั่งนั่นสอดใดมาโพ อ, อยตั้นคุณสะวันตอบทองว่าเมื่ออยู่ห้องปฐพีสัตถามีหลายหลาก ได้เลือกจากสรงส ก, การศพคนผ่านอยากไล่ได้เตีวตยวไตตามทาเว้นจากกรรมบาปกากันความนามานานก็ได้มาบังเกิดในชั้น้าเลิดไปบนนี้และนา เตวะบุตรตนนั้นมาแล้วรอดข่วงแก้วจุฬามณีก่ออันจุลีขบับไปทวนคบไห้สำหนแล้วถอยตนโคตออกไปนั่งไปนอกตามปึ๋งแหละนาห่านนั้นยังมีเตวะบุตรตนหนึ่งใส่มีนางฟ้าใดสี่มืนเป็นปริวานก่อเข้ามายัางสถานพระธาตุเปืืออภิวาสปูจาพระมหาเถรเจ้าการดิงเล่าสงสัย จึงถามไปบ่จ่าซึงเจ้าฟ้าอินตาว่าเทวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์รัตสมีพันบ่สาวแม่นอพระเจ้าจรือคุณอินตาตามต่อว่าบ่แม่นอพระมูนีสังกามีบ่แล้วเจ้าตนแกวเตป้ามาไลยก็ถามไปแถมเล่าว่าจ่าก่อนเก่าปังลังเมื่ออยู่ยังโลกใต้ กาตำบุญไหวสันใด้ขนอินไขบอกกาวว่าเมื่ออยู่ดาวปฐพีสัตว์าบีหลายแหล่สลัแผ่ตานไปยังปัจจัยทั้งสีด้วยใจกี่บ้านงาม บนนั่นตามทรงยู่มาเกิดอยู่เมืองบนและนาเทวบุตรตนนั้นมาแล้วรอดควาแก้วจุลมามณีก็อันจุลนีน้อมใบทวนคบไข่สำม혼แล้วถอยตนคดออกไปนั่งไปนอกตามปึงและนา ถาดนั้นยังมีเตวบุตรแถมตนหนึ่งใส่มีนางฟ้าได้ห้ามืนเป็นปริวานก็เข้ามายัางลานพาะาตเพื่ออภิวาสภูจาพระมหาเถรเจ้าขาดิงเล่าสงสัยจริงจะไขถ า, ามข่าวซึ่งตันเต้าอินตาว่าเตวบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้ากัญญา แม่นเป็นหนอพุทธะยอดสอยนามจ่นจ้อยอริยเมตัยเจรือคุณอินตาต้านต่อว่าบ่แม่นนอพระมูนีสั่งกะมีบ่แล้วเจ้าตนแก้วเต ป, ป้าบา้าไหลจริงทำไปแทมเหล่าย้อนบุญเก่าสังจ้าจริงได้มาบังเกิดในจัน้าเลิดไฟบน ขุนลินตนอยู่ฟ้าก่อตอบตากำไปว่าเมื่ออยู่ไหนโลกกว้างมีเจ้า อ, อางว่าศรัทธาติดสาจจาเป็นคณิธาน้องเนาแห่งเจ้าเจ้าตุทกามณีสเวยปุรีหนังหองในเขตต้องตุียหลังกามีศรัทธาผ่องแผวเจือกุณแก้วตั้งสามรักษาศีนงามแปดทา <c oughs> กันความนาจากเมืองคนก่อเอาตนมาเกิดในจั้นฝ้าเลิดไปบนบัตนี้และนาเทวาบุตรตนนั้นมาแล้วรอดขวางแก้วอารามก่ออันจุลิงามน้อมใบทวนคบไข่สามหนแล้วถอยตนคดออกไปนั่งไปนอกตามเพืงกอมีหันและนา ธาดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งใส่มีนางกันยาใดหกมื่นเป็นป ร, ริวานก่ขอเข้ามายังสถานพระธาตุเปืออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้ากาดิงเหล่าสงัยจริงจะาไาาข่ทมข่าวส่งตันตา อ, อินตาวะเทวบุตรมากอนาแห่งนางฟ้าสาวสาริลักขณาดีบ่อสาว แม่นอพระเจ้าจะเรื้อคุณอินตาตอบถอยว่าบ่แม่นหนอพระยอดซอยเจียงจีสั่งกามีบ่แล้วเจ้าตนแก้วเตผ้ามาไลยก็ทําไปแถมเหล่าว่าย้อนบุญเก่าสั่งจ้าจริงได้มาบังเกิดในจันฝาเลิดไปบนคุณอินตนบุญกว้างก็เก่าวอ้างกําไปว่าเมื่ออยู่ไหนโลกกว้าง เป็นเจ้าจ <S ess> ้างผาปุร <S ess> ีเจือตุทะกามณียศใหญ่ภาพเสียงไขว่ตีบหลังกามีศรัทธาเดิศแล้วในกุนแก้วตั้งสามเจตานางงามบอกขาดตานอวาดศาลาตานบกาตั้งไต่ตานเสียงไขว่จู่อันอันกันดับพันุกอยกาดชีวิตขาดเสียตนบุญบรรดุลมาเกิดในจันทร์ฝาเลิศตาวะ ติงสาบัรนี้แลนะนาเทวบัตอนนั้นมาแล้วรอดขวางแก้วจุฬามานี้ก่ออันจุลีขบับไมทวนคบไค่าสามหนแล้วถอยตนคดออกไปนั่งไปนอกตามเฟิงก็มีหันแลนะนา <c oughs> ถานนั้นยังมีเตวบุตรตนหนึ่งใสมีนางฟ้าใดเจ็ดหมื่นเป็นปริวานก่อเข้ามายังสถานพระธาตุเปื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถรเจ้าขานิงเหล่าสงสัยจริงจะไข่ถามข่าวซึ่งตันเต้าอินตาวะเตวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสะวัน พระเจ้ามีพันพิลาดแม่นนอพระบาทสับปัญญุจะรือคุณอินตาตันต่อว่ายังบมม่แม่นนอพระมูนีสังกะมีบอกแล้วเจ้าตนแก้วเตปมาไหยก็ทำไปแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังเจ้าจริงได้มาบังเกิดในจันฝ้าเลิอดคงสวันจุงไครปันบอกเก่าฮือรู้ข่าวเดิมมา คุณอินตาเจ้าฟ้าก่อตอบตาคำไปว่าเมื่ออยู่ไหนแต่ต้องคงเขตห้องปฐพีสัทธาบีบ่อเศร้าได้บวชเป็นเจ้าสามมาเนนดับขี้เข็นร้อนไหม <c oughs> รักษาสินไหมดใจกันดับใจกาภาคตายละจากเมืองค้นก่อเอาตนมาเกิดในจั้นฟ้าเลิดไปบนบัตนี้และนา เทวบุตรตนนั้นมาแล้วรอดขวางแก้วจุฬาบานีก็อันจุลีน้อมใบทวนคบไข่ามำหอนแล้วถอยตนคดออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็มีหันและนะถัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งใส่มีนางฟ้าใดแปดมืนเป็นปริวานก็มายัางสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทผูจา มหาเถระเจ้าหันแล้วเล่าสงสัยจริงจะไขถามข่าวซึ่งตันต้าอินทาวาเต บ, บุตรมาก่อนนาะแห่งดางฟ้าสาวสาริลคานาดีบ่อสาแม่นอรพระเจ้าจะรื้อคุณอินทา ต, าตา้านต่อว่ายังบ่อใจนอรพระมุนี สังกามีบอ่อขาดก่อทำเต้าทีราอินตาวาบุญสังจาจัดแล้วบ่อ ก, กาดแก้วตุยตั้นจริงได้พันมาเกิดในจัน้าเลิดไปบนขุนลินตนบุญกว้างก่อเ่าอ้างกำไปว่าเมื่ออยู่ในโลกไตตุกอยากไ้อนาถ า, ามีสัทธาองอาจ บ่ใดใส่บาตรหย่อตานเต้าจาวานตันเหล่าร้องเอิญเปล่าตักเตือนหื้อเจ้าเฮือนปีไกหูแจง้งไขสัญญาว่ามีพระมากุมเขารอดเรือนเจ้าตั้งลายจุงพันภายไว้วาดมาใส่บาตรเตตานยังพิกขาหานเขานำ้ำวัตถุพัมปัจจัยมันจะใครก้าวจี เออแจ้งที่สัญญาบุญนั่นนาบ่ผ่ากันแต่จากเหมืองคนก่เอาตนมาเกิดในจันฝาเลิดไปบนบัต้และนา เทวโบตนนั้นมาแล้วรอดควงแก้วจุฬามานี้ก่อนจุลีขับไปทวนคบไว่สัาหนแล้วถอยตนคดออกไปนั่งไปนอกตามเพิงก็มีหันและนะ ถาดนั่นยังมีเตวะบุตรตนหนึ่งใส่มีเตวะกัญญาใดเก่าหมื่นเป็นปาริวานก่อเข้ามายัางสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทภู้าพระมหาเถรเจ้าหันแล้วเล่าสงสัย จริงจะใครทำข่าวซึ่งตันเต้าอินตาว่าเตวบุตรมาก่อนนาแมน่นนอเจ้าฟ้าอริยเมตัยจะรื้อคุณอินตาตันต่อว่ายังบ่แมน่นนอพระมุนีสังกามีบ่แล้วเจ้าตนแก้วเตปะมาลัยก็จะใครทำเล่าว่ายนบุญเก่าสังจะป้าเอมาบังเกิดในจันฝ้าเลิดไปบน หุนนิ่นตนอยู่ฟ้าก่อตออตากำไปว่ามันเกิดในเตต้องคงเขตห้องตีบหลังกามีศรัทธาผ่องแผวเจือกุนแก้วตั้งสามเจตานางามสะอาดไปสู่พระาธาตุเยียงจี้เอาดอกกันนิกาดีน้อมไว้อธิษฐานไข่ไปไหนเอาหัวใจตั้งไว้ตั้งเตีนตยนไตปูจา้า เอาเกศเก่าแต่นดอโกมุดเหล่าเอาบุญสองตาหนุนว่าแว่นตต่างแต่นกลมไฟแปลงใจใส่สะอาดปู่จ่าถเจียงจีกันดาบินที่มวยม่างจากโลกว้างเมืองคนก็เอาตนมาเกิดในจั้นฝ้าเลิดไปบนนี้และนา เทวบุตนนั้นมาแล้วรอดขวางแก้วจุฬามณีก็อนจุลีน้อมว้ทวนคบไข่สามหนก็ถอยตนคดออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็มีหันและนาถัดนั้นยังมีเทวบุรแถมตนหนึ่งใส่มีนางฟ้าใดแสนหนึ่งเป็นปริวานก็มายัางสถานพระาธาตุเพื่ออภิวาทบูชา พระมหาเถระเจ้ากนิงเล่าสงสัยจริงจะใครทมข่าวซึ่งตันเต้าอินตาวะเตวะบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์รัศมีพันผ่องแผว แม่นเจ้าตอนแก้วอริยาเมตัยจะรือคุณอินตาต้านต่อว่ายังบ่แม่นนอปุธานยังสังกาบ่แล้วเจ้าตอนแก้วเตป้ามาไหลจริงใครกำไปแถมเรา ว่าย้อนบุญเก่าสั่งจ้าฮื้อนำมาบังเกิดในจันฝ้าเลิดไปบนคุณอินตนอยู่ฝ้าก่อตอบตาไขคานว่าแต่เมื่อนานเมื่อก่อนเกิดอยู่บนเมืองคน ตกตารนกันอยากบ่อเว้นจากศีลธรรมใจบ่อดำฮึกหยาบเว้นจากบาปจูอันวันหนึ่งมันไปอาบตีตาราบดอนสายมันหันสายลลยข้าพองแสงส่องตรงเอาใจมีวันไว้วาวาดเป็นดังจาดเงินขาจริงคนมากองก่อฮือเป็นจอเจอดีสั้นถ้ามีพ่องแผวนน้อมไปแล้วปูจา การมารานาก้อยกาดชีวิตขาดเสียตนบุญนั่นดนมาเกิดในจันฟ้าเลิดตาวะติงสาบัดนี้แหละนาเทวาบทตนนั้นมาแล้วรอดกว่างแก้วจุลามานีก่ออันจุลีน้อมใบทวนคบไข่สามหนแล้วถอยตนคดออกไปนังไปนอกตามเพิงก็มีวันนั้น แลนาเนธิตังคิงยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุปฐมามาไลผูกตนก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วตานนี้ก่อนแล